มนไฟป่าข้างนี้เราก็ได้เห็นธรรมชาติของไฟได้ชัดเจนขึ้นไฟเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่เล็กก็ได้นะแต่ว่าไฟในครัวนี่มันก็แตกต่างจากไฟที่เผาพลานป่าเยอะจะเรีกวมันมีสลีปภาพมากกว่าก็ได้มีทางเลือกมากกว่า ดมันก็สามารถใช้ เ, เรียกว่าอะอุบายต่างๆนะได้มากมายถ้าเปลียบไฟมันก็สิ่งที่มีชีวิตนี่มันก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อเพื่อเอาตัวรอดนะเหมือนกับทุกชีวิตนะก็พยายามที่จะแพร่กระจายไปเหมือนกับสัตว์ที่พยายามแพร่พันธุ์ เมา่อททุกอย่างเวลาสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตพยายามที่จะแพร่พันธนี่มันก็มีวิธีการต่างมากมายในการเอาตัวรอดวิธีการในการหาอาหารวิธีการสืบพันธุ์วิธีการสู้กับภัยที่มาคุกคามต้นไมน้มันก็มีทั้งน้ํามีทั้งยาพิษ ที่ซึมในใบในดอกหรือว่าในผลนะเพื่อที่จะไม่ให้ใครมามากินมันเงะไปเนี่ยพอไปในป่า น, นี้ก็เจอหนามเยอะแยะอันนี้มันก็เป็นความพยายามของต้นไม้เครือไผ่ที่จะไม่ให้สัตว์นี่มากินมันมา กัดใบของมันหรือว่ามายุ่งย่ามอะไรใกล้ตัวบางทีเขาล่อล่อให้หมดเข้ามาทำรังมดนี่ก็ทำมาทีเป็นตัวคุ้มครองต้นไม้นะคอยไล่พวกสัตว์ต่างๆไม่ให้เข้ามาทำลายต้นไม้ไฟมันอยู่เหมือนกันนะมันก็มี ดูว่ามันก็มือนกัสิ่งมีชีวิตยอย่างหนึ่งที่พยายามทำเพื่อตัวเอาตัวรอดแล้วก็แพร่พันธุ์ไปเวลามันกระจายมันไม่กระจายไปธรรมดาไม่ได้กระจายไปตามพื้นดินอย่างเดียวจริงก็กระจายไปตามไปตามยอดนะมันพยายามนะไปทุกแนวนะทั้งแนวราบแนวดินทั้งขึ้นฟ้าลงดิน ขึ้นฟ้านี่ก็คือขึ้นไปตามยอดไปตามยอดต้นไม้เราก็ดับอยู่ข้างล่างพยายามดับดับดับมันก็หนีขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็กระจายกระจายไปรูปไฟนะไปตามจากยอดสู่ยอดนี่ยากมากในะเวลาเจอวิธีแบบอุบายแบบนี้เราก็บางทีก็ได้แต่มองตาปิดปิดนะเพราะว่า ต้นไม้ก็ไม่ได้ถ้ามันไฟมันเลี้ยงตามพื้นนี่เราก็จัดการกับมันได้เอาน้ำฉีดเอากิ่งไม้ตบนะหรือแม้แต่รองเท้าก็ตบได้กระทีบมันก็ได้แต่พอมันขึ้นไปข้างบนมันก็สบายนะมันก็แพร่กระจายสเก็ตไฟลูกไฟไม่ต่างจาก ต้นยางนะมันก็กระจายมเมล็ดพันธุ์โดยสายลมนะเมื่อที่มันแค่นั้นไม่พอมันยังกระจายลงมุดใต้ดินเลยนะมุดใต้ดินบางทีดับหมดแล้วนะแต่ว่าในดินนี่ทำไมมันร้อนนะ ดินมันร้อนต้องขุดขุดลงไปในดินก็ไปเจอเจอฐานไฟนี่มันซ่อนนะรู้จักซุกซ่อนไม่ใช่ลอยไปตามอากาศเดียวมันจะซ่อนไปอยู่ใต้ดินซ่อนไปกระจายไปตามรากนะรากรากไม่ใช่แค่รากแก่นะั่นแหละรากขนานรากกิ่ง ไม่มีเปลวให้เห็นนะแต่มันเป็นฐานเลยนะพอมันได้ที่ที่พอหมอะมันก็ลุกเป็นเปลวซึ่งอาจจะเป็นที่ที่ไกลไปสิบเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบเมต ร, ตมตรให้เราก็ไปดับไปไปเผาไปไปเล่งงานมาที่คนต้นแต่มันไปโผล่ข้างหลังเราไฟมันลายกาดมากไฟมันก็รู้จักซุกซ่อนได้ ไม่ไม่แสดงเปลวไฟให้เราเห็นนะแต่ว่ามันไปกระจายไปตามรากอันนี้ก็เป็นความฉลาดของของไฟต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่นี่บางทีไม่ค่อยติดติดไฟยากนะตะเคียนเนี่ยติดไฟยากหนมามันเนื้อแข็งมันก็ยังโค่นลงได้อย่างที่เราเห็นเมื่อเมือ่อเมื่อวานเนี่ยตะเคียนต้นใหญ่ๆหญ่ ต้นเป็นด้วยยังไม่ตายมันก็สามารถจะโค่นได้มันทํำยังไงมันก็เล่งานที่โคนต้นเนล่นงานที่โคนต้ น, น, น, น, ตนกระจายลงไปที่ที่รากมันก็เล่งงานตรงนั้นอย่างเดียวเลยนะเพราะวาต้นไม้นี่ยมันก็จุดอ่อนจุดแข็งก็อยู่ที่รากนนี่ยจุดแข็งของต้นไมน้ก็อยู่ที่ราก จุดแข็งก็เปจุดอ่อนในเวลาเดียวกันไฟมันมันเผาลํำต้นไม่ได้มันก็เล่นลากแทนแล้วก็ใช้ความร้อนจกนกระทั่งรากนี่กลายเป็นถ่านนะพอรากนี่มันหรือโคนนี่มันซุดนี่ต้นไม้ก็พังคลื่ลงมาแล้วไฟมันก็ค่อยลามเรียบไปเรื่อยลามเรียไปเรื่อย ถ้าเราศึกษาดูนะฝ่ายนี้มันมันก็สิ่งมีชีวิตเลยฉลาดมีอุบายแต่จริงก็ไม่ต่างจากกิเลสในใจเรานะกิเลสในใจมันก็มีอุบายมีความฉลาดพอๆกันสามารถจะคลองจิตคลองใจสามารถที่จะเล่นงานเราได้แม้แต่เวลาเราจะพยายามเล่นงานมันเล่นงานกิเลส ด, ด้วยการมาปฏิบัติธรรม จะฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวเพื่อขับไล่ความล้อออกไปแต่ว่าบางครั้งมันก็มาเล่นงานเราทีเผลอยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งมีกิเลสมากขึ้นก็ได้มันก็ใสกิเลสหรือตัวตัณหามานาทิฐิมันก็สามารถจะมาเล่นงานเรา แม้กระทั่งในคันที่เราปฏิบัติธรรมมันก็เล่น ง, งานเราตอนนั้นได้เช่นปฏิบัติธรรมไปแล้วก็เกิดความเกิดความโลภมากขึ้นเกิดมารณ์ทิฏฐิมากขึ้นหรือว่าเกิดความหลงตัวลืมตนยกมือสร้างจังหวะแทนที่จะเพิ่มความรู้ตัวกับเพิ่มความหลงแทนที่เราสร้างจังหวะเพื่อขับไล่ความหลงเนี่ยแต่ว่ากับ เป็นอุบายเป็นช่องให้ความร้อนมันเล่นงานเราแต่ไฟก็ถ้าเราใช้ไฟเป็นนะมันก็เอามาใช้เล่นงานไฟได้เหมือนกันนะในาัลแรกๆเนี่ยชาวบ้านตอนนี้มันไม่ที่ไทยเลยโอไม่ไฟมันไม่เปลวไฟสูงมากเลยแล้วเร็วด้วยเร็วมากๆน้ำนี่เอาไม่อยู่นะ แต่ชาวบ้านก็สามารถจะสยบมันได้ด้วยการจุดไฟจุดไฟเพื่อให้ไฟที่เขาจุดนี้ไปไล่ไปดับไฟที่มันกำลังเรียกว่าบ่าครังไฟที่ชาวบ้านจุดมก็เป็นไปเล็กๆนะแค่เม็ดไม่ถึงเม็ดเม็ดครึ่งแต่ไฟที่มันโหมกระหน่งเข้ามาสูงอ่ะ หกเจ็ดเมตรมือไกลยังร้อนเลยห่างไกลห่างันประมาณสองร้อยเมตรก็ยังรู้สึกเผาผ่า เ, เจ้าไฟชาวบ้านจุดเนี่ยนะเ ป, นเป็นแผงเลยมันก็สามารถจะเคลื่อนพอจุดพวกมก็เคลื่อนกันไปหาเลยมันก็ไปหาไฟไฟป่าไม่กลัวเลยตั้งที่ไฟป่า น, นี่มันสูงใหญ่ร้อนกรดเปรี้ยวไฟชาวบ้านจุดเนี่ยไฟ ก็เป็นแผงเล็กๆนะแต่ว่าพอเครื่องเข้าไปเข้าไปเข้าไปก็ดับมันได้ที่มันดับได้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีเชื้อเชื้อมันหมดนะไฟ ท, ที่ชาวบ้านจุดเนี่ยคือเพื่อที่กำจัดเชื้อให้อตอนที่เห็นพาพ น, นั่นลอมันมันก็น่าทึ่งนะไฟเปลวเล็กๆนี้สามารถจะสงบสยบไฟเปลวสูงๆใหญ่ๆได้ เหมือนกับเดวิดสวอกอรและอัดเลยถ้ามันเร็วมากเลยนะไม่ถึง5ทีไฟไฟป่าที่มากันเป็นเป็นกองทัพนี่ก็ก็สยบเงียบนะโลเลิกกลัดเกลียวนะยอมแพ้เนื้อใช้ใช้ไฟไฟไล่ไฟหรือที่พรจาจยาพุทธาเรียกว่าจุดไฟบ้านรับไฟป่า จุดไฟบ้านแลวไฟป่าหรือว่าจุดไฟไล่ไฟมันก็คล้ายกับเกลือจิ้มเกลือนะหรือว่าน้ายอกกัาน้าบ่มบางทีจะสู้กับกิเลกก็ต้องอาศัยกิเลสเหมือ น, นนะตันหาใช้ตันหาและตันหาใช้ใช้มานะละมานะอันนี้ก็เป็นก็เป็ น, ก, ปนก็เป็นเทคนิคที่ก็ต้องต้องรู้เอาไว้แนละ้วไฟมันไม่ได เลวไร้เพียงเดียวนะมันก็มีประโยชนนะ์ถ้าเราคุมมันได้นะกิเลสก็เอามาใช้ได้อย่ที่เคยเล่านะหลายท่านบรรลุธรรมได้ก็เพราะเพราะว่ามีกิเลสเป็นจุดเริ่มต้นนะอย่างภารูปหนึ่งก็มาบวชเพราะว่าอยากจะสบายเป็นขอทานมาบวชมาบวชเสร็จแล้วก็มีกินมีมีอาหารมีปัจจัยสี่ก็สบาย แต่อยู่ไปชักเบื่อเวลาจะเวลาเบื่อเวลากระ ส, สันจะสึกก็ไปที่ป่าแล้วก็ไปดูเสื้อผ้าที่ตัวเงเคยสวมใสต่ตอนเป็นยาจกเห็นเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเสื้อผ้าขาดกรลุ่มกระลิงก็สึ ก, สกไปเราก็จะลบาบากอย่ากันนั้นเลยอย่าสึกเลยนะอยู่ต่อพอจะสึกก็กลับไปดูเสื้อเห็นเสื้อผ้านขาดกรลุ่มกระลิงก็ ความกระสังจะสึกก็ะฟอไปออกจากป่าคนเถาไปไหนก็บอกไปหาอาจารย์ก็เข้าเขก็ไปหาอาจารย์อยู่หลายครั้งจนถึงจุดหนึ่งก็ไอ้ความอยากก็ลดลงได้ความาสนใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสุดท้าสุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพื่อนพระธรรมอันนี้ไปหาไม่ไปหาอาจารย์เลยท่านก็ต่อนี่ไม่ไปหาอาจารย์แล้วเราไม่ไม่ต้องพึ่งพาอาจารย์แล้ว ไม่เกี่ยวข้องอาจารย์ก็หาว่าท่านปวดอุตริเนีไปทูลฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกมาถามสุดท้ายก็ได้เขาท่านบรรลุท่านพระอรหันต์แลอันนี้ก็เรียกว่าใช้ตันหาและตันหาได้นะอยากจะศึก ก, ก็สัณจะศึกแต่พอนึกถึงความลําบากในชีวิตคารวะมันทำให้ความกสัณมีลดลง การที่หนึ่งการที่นึนถึงความลำบากแล้วไม่อยากจะไปลำบากก็เป็นตันหาแบบหนึ่งเป็นตันหาแบบหนึ่งความอยากสบายไม่อยากลำบากนี่ก็เป็นตันหาชนิดหนึ่งหรือว่าลูกจะล้วนะาตพิทิกะก็ไปฟังธรรมหลวงพอ่อเพราะพ่อให้เงินอยากได้เงินก็เลยไปไปฟังธรรมฟังไปฟังมาก็บรรลุธรรมแต่ที่บรรลุธรรมได้นี่ก็เพราะว่า พ่อก็มีอุบายไปฟังธรรมแล้วไปฟังเฉยเฉยไม่ได้ฟังธรรมหรอกกลับมาก็มาเอาเงินพ่อพ่อก็รู้นะก็เลยตอหลังก็บอกเนี่ยที่หลังไปนี่ให้จำให้ได้นะว่าผู้เจ้าตัดอะไรแต่ไปนั่งอย่างเดียวไม่พอต้องตั้งใจฟังด้วยแล้วก็มาบอกว่าผู้เจ้าสอนอะไรไอความอยากได้เงินทำให้ตั้งใจฟังแต่พู้เจ้าก็บันดานให้ จำแล้วฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมก็ต้องตั้งใจฟังมากขึ้นพอฟังมากขึ้นก็ปัญญาก็เกิดนะเป็นพระโสดาบันกลับบ้านนี้พ่อจะให้เงินก็บอกไม่เอาแล้วเพราะว่าได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าใช้ตันหาละตันหา ก็เมือเราใช้ใช้ไฟดับไฟแต่ก็ต้องใช้ให้เป็นนะเพราะาใช้ไม่เป็นนี่ไฟที่จุดนี่มันก็เล่น ง, งานเราได้นะลมเปลี่ยนทิศนี่มันก็ทำให้ไฟนี่ที่เราจุดนี่มันกลับมาเล่นงานเผาผลาญปางเรามากขึ้นหรือว่าไร่นางเรามากขึ้นต้องใช้ต้องฉลาดใช้ใช้ในใช้อย่างมีสติใช้ด้วยความไข้ควร นีอยู่ในสมนศิการถ้าเหมือนน้ํานั้นเราใช้น้ําล้างน้ำถ้าน้ําเสียก็ใช้น้ําดีไล่น้ําเสียจะไปขุดจะไปสูบเอาน้ําเสียออกไปหรือจะวิทยน้ําเสียมันทีก็เหนื่อยเขาก็ใช้น้ําเนี่ยน้ําไหล่น้ําถึงแต่ว่าน้ำเท่าไรเป็นน้ําดีอันนี้ก็เราก็เรียนนะ เรียนไฟเรียนรู้จักไฟก็กลับมาดูตัวเองรู้จักธรรมชาติของไฟก็กลับมาเห็นธรรมชาติกิเลสในใจเราได้ในคราภ์เดียวกันเวลาเราดับไฟเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ดับไฟอย่างเดียวแล้วก็มัโกาสมาดับไฟในใจเราด้วยเหมือนกเราปลูกป่าก็พูดอยู่เสมอนะเวลาปลูกปาก่าเราไม่ได้ปลูกปาก่า หรือปลูกต้นไม้ที่เราถือในมือท่านแต่ให้ปลูกต้นไม้ในใจเราด้วยฟื้นฟูป่าฟื้นฟูใจนะอันนี้ก็เป็นคำขวัญ น, นั่นหนึ่งนะที่กุด1ินะฟื้นฟูป่าฟื้นฟูใจคือปลูกป่าด้วยปลูกต้นไม้ที่เป็นใบเขียวๆด้วยแล้วก็ปลูกต้นไม้ในใจด้วยให้การปลูกป่าเป็นการปฏิบัติธรรมชำนองเดียวกันนะเวลาเราดับไฟ ถึงเช่าเราดับไฟดีๆก็ดับไฟในใจด้วยนะเพราะว่าการดับไฟต้องใช้ความพยายามบางทีก็มีความขี้เกียจความท้อแท้บาง น, ะนีก็มีความมีมชุนเฉียวแต่ว่าเราก็ใช้โอกาสนี้แหละนะมาดูใจเราที่ดับไฟที่มันสมคอแล้วก็มาดูใจเรานะเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นความหงุนงงเกิดขึ้นความท้อแท้ ก็มีสติดูแล้วก็ดับมันได้ด้วยความรู้ตัวการดับไฟก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาในช่วงเข้าก่อกนที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันในรูปแบบเท่าไหร่แต่ก็ใช้การดับไฟนี่มาเป็นการปฏิบัติธรรมดับกิเลสในใจเราได้ดังนั้นถ้าเราดับไฟนะดับไฟป่าจะว่า ที่เลยในใจเราเพิ่มมากขึ้นความโกรธความหงุดหงิดนะความท้อถอยมากขึ้นอันนี้ก็แสดงว่าอย่งต้องต้องทำตอ่อไปเดี๋ยววันนี้ก็พกกูดแค่นี้นะเพราะเดี๋ยวต้องเดินทาง